ท่านพระภิกษุสังเนรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท ต, ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานบา ร, รมีต่อไปในความจริงเรื่องทานบา ร, รมีเนี่ยครับถ้าจยาปล่อยผมพูดผมคิดว่าผมจะพูดตั้งแต่วันนี้ไปอีกร้อยปีไม่จบเรื่องทานบา ร, รมีนี้ไม่จบแน่ ก็ขอจบขั้นคัตเศสนี้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หน้านี้เนะ่ะต้องเป็นหน้านสองลงความมรธานบารมีที่มีสามคัตเศสแต่ก่อนที่พูดทั้งทานบาร ม, รารมีก็ขอย้าอีกนิดหนึ่งจะหาว่ากวนใจเลยต้องขออภัยนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่นี่จะคิดว่าผมกวนใจแล้วขอประทานอภัยด้วย ความจริงก็พูดใยความบังดีด้วยกันในก็หมายความาหาทางตัดอับาญภูมิกันซะก่อนเราอย่าประมาทตัวเองว่าเราเป็นพระเป็นพระเป็นเนนี่เพราะมจริงพระเนร์นิยมลงนรกมากเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านฝึกมโนยิทธิได้ไปเจอพระเจอเนนที่ท่านเคยคารมมาในเอเวจีมานารกบงัง แล้วก็นายโลกันตนรกบางสอบสวนแล้วได้ความว่าไม่เคารกนพระวินัยใช้เอาเงินของวัดไปใช้บ้างตัดต้นไม้ของวัดเอาไปขายซื้อบ้างเอาของวัดไปขายบ้างเยอะแ ย, ยะแล้วก็มีมีมีอยู่ท่านสองสามท่าน <c oughs> ที่เขาไปพบ ก, กันนะไม่ใช่ผมพบ เขาทําเขาพบกันเขาบอกว่าท่านผู้นี้ดัดแปลงคําสอนพระพุทธเจา้าพระุทธเจ้า ว, ว่าซ้ายเขาไปขวาว่าขวาเขาก็ไปซ้ายพุทธเจ้า ว, ว่ามีสวรรค์มีนรกเขาบอกไม่มีไม่มีโลกสวรรค์นรกมันเกิดตายใจชาตินี้แล้วก็สูญไปเลยไม่เจอที่ไหนเจอในโลกกันนรก เวลานี้ในญ า, าติโยมท่านมีความรู้อย่างนี้ดด่นเราเป็นพระเป็นเลนต้นละมัติระวังอายท่านบ้างเคราะห์ว่าก็มีเวลาน้อยมีภาระมากแต่เขาทำได้แต่เราถ้าเป็นพระมีเวลามากแม้แต่บทเจ็ดวันเนี่ยพยังมากกว่าเคราะว่ า, วาที่เขามาฝึกเลย เขามาฝึกกั น, นวันสองวันยังช้าที่สุดวันที่สามเขาไปกินแล้วเขาทำกันได้แล้วเขาไปท่องเที่ยวก็ได้แบบสมบัตบายเขากล้าเย็นยันกล้าพูดถ้าพวกเราผม้ากาสาวพัฒน์ <c oughs> ทำอย่างเขาไม่ได้ผมว่าเอาหัวไปสุกตุมตมขี้ดีกว่า ผมผ้ากาสาวพัให้คนขั้นพ่อขันแม่มาไหวโคจะอายท่านเวลานี้เด็กเล็กถึงแก่ทำก็ได้เยอะนี่เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผมความดีของทุกคนที่ทำได้ท่านบำเพ็ญบารมีกันมาดีแล้วเราเป็นสาวว่าพระองค์สมเด็จพระปฏิบเกแก้วถ้าไม่ได้เหมือนท่านก็น่าอายมาก เพราะว่าไม่ควรโหมผ้ากาสาวัต <c oughs> เป็นนะว่าสิทิจิตที่เราจะหนีอวยภรมก็คือหนึ่งพูดกันทุกวันคนอย่าลำคาญนะไม่ลืมความตายคิดว่าอย่าตายวันนี้ไว้เสมอสองยึดพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอธิสงานเปรีพึงเคารพท่อในความจริงใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่าดัดแปลงแก้ไขอย่าหลีกเลี่ยง สามส่งสินให้บริสุทธิ์ตามสภาพครว่าสำคัญที่สินห้าแล้วก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานวันนี้ขอพูดจะย่อเท่านี้นะ <c oughs> ต่อมาก็มาพูดกันเรื่องทานทานบารมีให้ยังไงถึงจะเต็มผมพูดมาใช้ยาวบางคนจะรำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันภายในนี่นะแล้วก็ เราไม่ได้หวังซื้อหวังขายที่คุยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เพราะว่าเสียงนี้มันจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆผมก็แก่แล้วใครสงสัยก็ฟังที่อย่าลืมว่าทานที่ผมพูดมา น, นี่มันยังไม่จบแต่ผมก็จะพยายามจบซะก่อนท่านก็ค้นคว้ากันต่อไปก็แล้วกันสําหรับญาติโยมพู้ถวายสัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมด ได้ทิพกุยานบ้างอธีตังทิยานอนาขตังทิยานปุบเปนิวาสามทุยานปัจจุปนนสัญญาถ า, ากโมตายานเจโตไิยานเจโตปริยานท่านได้กันหมดแล้วผมเองก็หวาดหวาดยมอมเหมือนกันนะยมที่นั่งในยิมยิ้มหรือความเป็อาตมาก็หวาดเหมือนกันอย่าไปคิดอาอตมาเดินพูดเล้อเลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้น ยังแบกความเลวไว้ปอแปรมาพูดตั้ธานบา ร, รมีกันก่อนอาการที่ทานบรรานบ ร, รมีจะเต็มมันเต็มอย่างนี้ <c oughs> บา ร, รมีนี้เขาแปลว่ากหลังใจท่านแปลว่ากับบารมีจริงๆถ้าตามศัพท์ก็แปลว่าเต็ม <c oughs> ท่านนี้ผมไปโดนพระที่มีความรู้ รู้รู้ดีซะด้วยท่านยันหน้าผมเข้าดิท่านถามผมว่าบา ร, รมีแปลว่าอะไร <c oughs> ผมก็แปลาตามที่ผมเรียนมานะที่บา ร, รมีครูท่านสอนว่าเต็มอย่าไปโทษครูผู้สอนผมไม่ได้เนีครูต่างๆท่านสอนก็นมาตามลําดับว่าเต็มท่านก็นเดาย้อนนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นทานบา ร, รมีถ้าจะทาให้เต็มจะทำยังไง ท่านก็บอกว่าผมก็มาตอบไม่ได้ท่านบอกว่าคุณแปลผิดเข้าใจผิดต้องเข้าใจตามนี้ทานนะต้องให้บารมีนะต้องแปลว่ากําลังใจเต็มนี่เราเันแปลบก้องแบบนี้ต้องแปลว่ากําลังใจเต็มอย่างนกบินไปจะบอกคันดาวาไปแล้วไม่ถูกคันดาวาก็าแปลไปแล้วต้องแปลว่านกบินไปแล้ว จะต้องแบบบินไปแล้วมันถึงจะถูกยังเหี้ยคลานมามองดูคนโอโลเกตวามองดูแล้วไม่ถูกถ้าบอกต้องโอโลเกตวาแงนดูแล้วเห็นไหมเงนมองดูแล้วก็ได้เหี้ยมันหน้าต่ําต้องเงยหน้าขึ้นมาเงนหน้าขึ้นมาจึงเห็นหน้าคนอันนี้การแปรรังสีของผมมันบกพร่องแบบเนี้ มันถึงยิ่งหลอกอคลอกคลดไม่จะดชิดยันนึกว่าผมดีนะ่ะผมก็เลวมากยังมีความเลวอยู่เยอะแต่ก็ค่อยๆสกัดความเลวทีเล็กแต่ น, น้อยต่างกําลัง <c oughs> ชาตินี้ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกก็บุญตัวแล้วผมก็ไม่รู้ไม่กันว่าตกนรกอาตายแล้วจะไปไหนช่างมาันเถอะนี้คําว่าทานบา ร, รมีจะเต็มก็แปลว่ากําลังใจในการให้ทานสมบูรณ์แบบ จะสังเกตง่ายๆๆคือหนึ่งจิตใจของเรามีความคิดไว้เสมอว่าพบบุคคลใดถ้าเขามีความทุกข์แล้วพบสัตว์ตนใดมีความหิวโหวยถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้เราจะให้ทันทีจิตใจเราคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ไม่ใช่ว่าต้องให้กันด่าต้องดูว่าเราจะลําบากไหมถ้าให้เนะี่ยให้ลําบากไม่ควรมันจะเกิดการเดือดร้อนผลทานจะมีให้แล้วเกิดเสียดายภายหลังไม่คิดว่าแม่ไม่ให้เสีย ก, ก็ดีให้ไปแบบนี้เราแย่อันนี้ไม่ควรเลยต้องคิดว่าเราหกจะจะให้ให้สบายใจเราใน <c oughs> ก, กําลังใจส่วนหนึ่ง คิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ให้เราด้วยความเต็มใจเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกปากขอใครถ้าไม่จำเป็นเท้งกับชีวิตมันหิวจะตายจริงๆออกปากขอเขาได้แ้วต้องไม่เลือกอาหารที่เขาให้ <c oughs> ให้แบบไหนพอใจแบบนั้นเข้ายินเข้าแฉกินได้หมด แร่ว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆทุกเวทนามันครอบงำไม่มีเงินจะซื้อยาออกปากขอญาติโยมท่านได้อันนี้ควรอย่างยิ่งเป็นอันว่าเราควรจะปฏิบัติตามนี้นี่อันดับหนึ่งนะที่ว่าอดใจไว้รับะการที่สอง จิตคิดจะให้และไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเราก็ให้นเมื่อมีโอกาสรวมความกำลังข้าใจเราเป็นสุขเมื่อคิดว่าจะให้โอกาสใดได้ให้ปลื้มใจอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีจิตใจสบายมีความสุขนี่ความพอใจในฐานะที่เราจะพึงหาทรัพย์สินได้เท่าไรพอใจเท่านั้น ไม่คดไม่โกงใครหากินในความสุจริตธรรม <c oughs> ถ้ า, าการเป็นอย่างนี้ถึงถือว่าบารมีทานบารมีเต็มแล้วก็การที่ตอนนี้คนที่อยากจะให้ท า, านบำเพญทานบารมีเนี่ยจะประกอบอาชีพไหมต้องประกอบตามเดิมคนจนสามารถประกอบอาชีพสะสมให้รวยได้ใครไม่เรียกว่าโลภ ถ้าไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมท่านเรียกว่าสัมมาชีวะแปลว่าหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบทำอย่าไปเข้าใจแบบคนที่ก็มีทานบารมีเต็มเนี่ยเขาจะต้องไม่ธมากินอันนั้นไม่โกเป็นอัตตะกิรมฐานิโยเป็นการทรมานตนไม่มีผลเลยต่อหากินคนค้าขายร้านชำ สามารถจะสร้างตัวตั้งห้างตั้งบริษัทคือการห า, มาไม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความชอบธรรมไม่โกงไม่โกงขาอย่างนี้เป็นสมาชีวะทีบอก ว, ว่าให้ทานบำเพ็ญทานบารมียังโลกโมโทสันต์ต่ตัวให้ ร, ร่ารวยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โลกจะไปว่าเขาถ้าว่าเขาเราเลว <c oughs> เขาไม่เลวก็ทำความดีแล้วว่าเขาเขาก็เราก็เลว การให้ทานให้เต็มต้องดูตัวอย่างพระเวชนดอนพระเวชนดอนตอนที่ให้สัตดกมหาทานท่านให้เพื่อพระโพธิญาณจริงๆในตอนนั้นให้ทุกอย่างตามเท่าที่มีแต่ให้หนักมากอันนี้ผมจะมาอธิบายว่าอะไรบ้างแล้วต่อมีทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์ นั่นคือให้สุราเป็นทานการให้สุราเป็นทานนี้ท่านบอกไม่มีอนิสงส์แต่ว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านให้สุราเป็นทานด้วยพระที่นั่งฟังอยู่ท่านก็ดีและเกินได้ขอบคุณท่านที่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านกระโทนถามองค์สรงเด็ดไปจอมใจว่าสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์ คือไม่มีในสงไปสวรรค์ไปพรมโลกกับเขาได้ไม่มีในสงให้เกิดความร่ำรวยได้และไม่มีในสงให้ปานิพานได้แต่ทําไมจึงให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยนั้นตาทาคตให้เพื่อเต็มความประสงค์เขาบุคคลผู้รับหมายความผู้รับที่เล่าเมายาเนี่ยต้องการแบบนั้น ให้อย่างอื่นแะไม่ชอบใจจกชอบเมาก็เลยให้แกนะ ไ, ไม่ให้นคนอื่นได้ไปพวกนี้ไม่ได้ก็เสียกาลังใจให้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจเขาบุคคลรับแต่ไม่ต้องการอะไรส่งถ้ามีอาการจิตอย่างนี้สนแสดงว่าลักษณะทานบา ร, รมีของเราเต็มและทานบา ร, รมีเนี่ยส่งผลมากตั้งเจตนาที่ฐานยังไงได้ตามนั้น อย่างกับท่านศิริมหายาราชเทวีก่อนที่ท่านจะมาเกิดตอนหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกของกษัตริย์สองคนด้ยกันกับน้องสาวท่านพ่อให้แก่นจันทร์กับพี่แล้วให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับน้องปรากฏว่าท่านน้องทำเป็นเครื่องประดับ อ, อกไปถวายพระพุทธเจ้า แล้วก็ท่านพี่ทํากุฏิจันทร์ให้ละเอียดไม่เป็นผงๆเอาไปโปรยปรายในวิหารพระพุทธเจา้ามีพระสงฆ์โยนโดยจะได้หอมๆการที่จะไหวเครื่องประดับอกคือเครื่องเพชรนิลจินดาเครื่องทองพระพุทธเจา้าพระใช้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าถึงกัทรงรับเพราะมันเป็นอนิสงส์อนิสงส์ที่เขาจะเพลงได้ต้องรับเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บ เก็บรลกษาไว้หรือถ้ามีใครมาซื้อของราคาเกินกว่านั้นราคาต้องเกินกว่าของจริงเกินกว่าราคาจริงก็ยอมรับเอาเงินจํานวนนั้นไปช่วยอาค่ า, าหารแก่พระช่วยค่ายาแก่พระบํารุงสถานที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราทําได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้ว พระวิชาเจ้าท่านรับแล้วทำไมเลยรับไม่ได้สองพี่น้องอธิษฐานคนหนึ่อย่างน้องสาวถวายเครื่องประดับอกบอกกูว่าเกิดไปชาติใดชั้นใดคอยอย้ายขายเครื่องประดับอกคือเครื่องใส่อยสร้อยสร้อยเพชรสร้อยทองแล้วก็ตามเธอ <c oughs> แล้วก็หวังพระนิพพานสําหรับพี่สาวน้าต้องการเป็นมารดาของเจ้าองค์ใดองค์งหนึ่งในอ น, นาคตการ ต่อมาเกิดอีกชาติหนึง่งท่านไปเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเหมือนกันน้องสาวไปนิพพานในสมัยพระพุทธในพระกโกสันโธแต่พี่สาวได้เกิดเป็นพุทธมันดาของพระเจ้าองค์ปัจจุบันมีนามวิสิมหามายาราชเทวีนี่การให้ทานในถราเมติฐา น, า น, านบรรมีเข้าประกอบมันจะสำเร็จสมความปรารถนา อีกคนหนึ่งอย่างนางโคจุตระานางโคจุตระาคนนี้เป็นสาวใช้ของพระหักรัตริย์หรือเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนางกำนันหรือนางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาววังก็แล้วกันนะไม่รู้ตำแหน่งอะไรจะเป็น น, นางกำนันหนระือนางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แน่ใจเนี่เอา้งชาววังก็แล้วกันวันหนึ่งเธอออกไปนอกวัง เห็นพระบาเจกพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาซามจริงๆผงขอตําหน่งเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาดพระบาเจกพระพุทธเจ้าเพราะเจ้พระเ จ, าะเ จ, าะเจา้เาท่านก็ต้องใช้มือฝาจับบ้างมือซ้ายจาับบ้างปากบาดมันร้อนเดินไปโคตรถตราไปเห็นข้ากราบน้ำเสการท่าน ถอดกาไลมือสองอันถาวายพระบัจจพระพุทธเจ้าให้รองบาทถ้ามือจับอีกทีหนึ่ะพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้พรเธอเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอหม่อมฉันเห็นทํานั้นโดยเถิดพระเจ้าค่าพระบัจจพุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าเอวังโหตุก ที่แปล ง, ง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ว่าถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาต่อมาในชาติหลังปรกุรคจะลืมว่าพระพุพทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะคือบรรลุเองตัดเองไม่ต้องมีพระเจ้าสอนเป็นผู้มีบารมีเต็มถ้าปัญญาไม่ดีจริงๆเป็นพระพุพทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาเต็มมาก รองจากสมเด็จพระสัมมาทูอเจ้ามีกำลังสูงกว่าอากาศสาวกตอนนี้ท่านก็บอกต่อมาชาติหลังกุศลราเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีความฉลาดมากมีความสามารถเป็นพิเศษฟังพระพุทธท่าเจ้าเทศจบเดียวเธอสามารถนำดีลาที่พระเจ้าเทศมามาเทศในหญิงห้าร้อยฝั่ ง, งมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน เทดีลาคล้ายพู้เจ้าก็เป็นปัจจัยให้หญิงลัห้าร้อยเป็นประโสดาบันนี่อธิษฐานบารมีไม่ใช่คองเล็กเป็นของใหญ่นี่การให้ทานของบรรดาทตงพุทธบริษัททั้งหลายแต่จะให้บารมีเต็มจริงๆก็จงอย่าตั้งใจคิดว่าชาติหน้าจงรวย เราก็ควรจะรวยซะต้องแต่ชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ามันก็ไม่รวยคำว่ารวยคือคำว่าพอกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำที่เรียกว่าสันโดษ <c oughs> ไมาความมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยมันก็กินอิ่มเดียว เ, เ, รเรามีการเกงแพลนนุ่งเรามีการเกงผ้าฝ้ายหนุ่งเราก็พอใจเขากินด้วยจานเงินจานทองเรากินด้วยชามไม่มีลายเราก็พอใจเขามีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีอาหารพิเศษที่เรียวกว่าไม่ควรจะแพงมันก็แพงไอกินเอาหน้าเอาตากินโอดนะ่ะเรามีผักบุ้งเจีน๊นน้าปลาเราก็พอใจมันก็อิ่มเหมือนกัน อย่างนี้ถือว่าคนรวยรวยในในคำที่เียบพอถ้ามีอาการพอมาอะไรมันรวยเหมือนนั้นตัดการโลภโมตโสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วให้ทานตามปกติชาติหน้ามันจะรวยไปยิ่งกว่า น, นี้เนีความรวยนี่มันก็ไม่ใช่รวยแต่เฉพาะทานบารมีอย่างเดียวความจริงการให้ทานเนี่ย เราจะให้ทานครั้งเดียวหนึ่งในชีวิตหมา่ว่าทานแต่ละครั้งที่เราให้ไม่ใช่เราจะมีแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะยังมีบารมีอีกเยอะที่คําประกอบกับทานบารมีรวงความเราให้ทานบารมีอย่างเดียวแล้วก็สาก็เป็นปจัจจัยเราบําเพ็ญบารมีสิบระการครบถ้วน ท่านผู้ฟังนั่งจะสงสัยแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปมันก็คงไม่จบเพราะต้องไปฟังกันวันหน้าก็เป็นว่าเรามาสนใจเรงการประกอบใจอย่างนี้กันก่อนเพื่อไดหมายความจิตคิดว่าจะให้ทานไม่เลยว่าอารมณ์คิดจะให้ทานเป็นฌานในจารคานุสติกรรมฐาน คำว่าทานนี่คืออารมณ์มันชิน <c oughs> ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าว่างจากภารกิจก็คิดจะให้ทานเห็นคนยากจนขิดใจเห็นสัตว์ทมีความทุกข์เราก็คิดอยากจะให้แต่ว่าจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันไม่แน่ถ้าเรามีทรัพย์สินพอที่จะให้เราก็ให้ถ้ามีทรัพย์สินไม่ไม่มีทรัพย์สิน เรามีกําลังกายสามารถจะช่วยได้แล้วก็ช่วยให้ด้วยกำลังกายถ้าให้ด้วยกำลังกายก็ไม่เหมาะให้ด้วยกำลังทรัพย์ก็ไม่เหมา ะ, ก, ะ, ก, ะกักิจนั้นที่เขากําลังขัดสนถ้าเรามีปัญญาพอจะแนะนําเขาได้เราก็ให้ปัญญาให้การแนะนําอย่างนี้และบรรดาเพื่อนบิณฑุทํทำลายได้ญาติโยมผู้รดฟัทที่นั่งฟัง จัดว่าเป็นกําลังใจเต็มเพื่อมิจารคานุติเป็นฌานเห็นไหมละ่ะฌานประเภทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาหลับตาไม่จริงอ่ะแต่ผมไม่ได้ห้ามหลับตานะีท่านจะเป็นนั่งนึกใยการหลับตาทํำจิตสงบอันนั้นดีแต่เวลาที่ไม่หลับตาให้จิตมังคิดอยู่ด้วยอย่างนี้จริงเป็นฌานฌานคืออารมณ์คิดจนชิน แล้วก็การที่จะมีอารมณ์ที่คิดจนชินได้มันมาจากอะไรมันม่ต้องไม่มีนิวรณ์เข้ามาขัดขัดขวางเข้ามากวนใจในเวลานั้นอารมณ์นี้ก็มีความสุขเท่านิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจนักเป็นว่าถ้าอารมณ์เขามีอยู่คิดจะให้อยู่อย่างเดียว ไม่อยากจะคดไม่อยากจะโกงไม่อยากจะยืดยังทรัพย์สมบัติของใครเือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำแล้วโอกาสมีเราก็ให้ก่อนที่จะให้นึกว่าจะให้อยู่แล้วขณะให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจเมื่อให้แล้วก็มีปีติคือความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าโลภะความโลภเราตัดแล้วหนอนี่แหละบรรดาเพื่อนพิโษษษษสชมณีและญาติโยมเพื่อบริษัทกําลังนั่งฟัง เท่านี้ทานบารมีของเราเต็มเราภูมิใจได้ก้าวหนึ่งที่เราจะถึงนิพพานเมื่อทานเต็มโลภะมันก็มาไม่ได้มันเป็นศัตรูกันกําลังใจคานเต็มมีจารคานติเป็นชานยืนลงอยู่โลภะความโลภมันก็กระโดดนี้ไปก้าหนึ่งที่ถึงนิพพานเราทำได้อนาบรรดาทุกท่านที่รับฟัง เวลาหมดแล้วเขาลาก่อนอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดวันดาเพื่อนบิณฑ ษ, ษ, ษ, ษสมณเณรเดวันดาญาโยมทุกคนที่นั่งฟังสวัสดี